พระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสูตรที่สองมหานิทานสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นต้นเหตุใหญ่เรื่องปฏิจจสมุปบาทสําหรับคําว่าปฏิจจสมุปบาทต้องอ่านตามจริงตามนี้นะครับแต่ผู้อ่านเองและหลายท่านมักจะอ่านเป็นปฏิจจสมุปปบาทต่อไปนี้จะขออ่านให้ตรงกับบาลีของจริงนะครับก็คือต้องอ่านว่าปฏิจจสมุปบาท สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวกุรุชื่อกรมมาสาธรรมะแคว้นกุรุครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญนาอาจจัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปฏิเจสมุกบาทนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งสุดจะคาดคะเนได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่าเป็นธรรมะง่ายๆพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นอา น, นุนปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งสุดจะฆ่าคาเนได้ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทนี้หมูสัตว์จึงยุ่งเหมือนคอร์ดได้ของช่างหูกเป็นปมนุงนางเหมือนกระจุกได้เหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ข้ามผลอบายทุคติวินิบาตและสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิด อบายหมายถึงภาวะหรือที่อันปราศจาก ค, ความเจริญสีคือหนึ่งดรกสองกำเนิดสัตว์เดรฉานสามแดนเปรตสี่สุรกายอานนนเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัย ชะรามราณะจึงมีควรตอบว่าเพราะชาติเป็นป er ัจใจชะรามรณะจึงมีเมื่อถูกถามว่าสิ่งนี้เป็นปัจใจชาติจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจใจชาติจึงมีควรตอบว่าพบเป็นปัจใจชาติจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจัย พจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยพบจึงมีควรตอบว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีควรตอบว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี เมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยตัณหาจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีควรตอบว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยเวทนาจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี ควรตอบว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีควรตอบว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยนามรูปจึงมีหรือควรตอบว่ามี ถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีควรตอบว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีควรตอบว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี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 พบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะภริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งหมดนี้มีได้ด้วยประการชนนี้อานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่ชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีดังต่อไปนี้คือถ้าชาติคือชาติเพื่อความเป็นเทพของพวกเทพเพื่อความเป็นคนทันของพวกคนทันเพื่อความเป็นยักษ์ของพวกยักษ์เพื่อความเป็นพูดของพวกพูดเพื่อความเป็นมนุษย์ของพวกมนุษย์เพื่อความเป็นสัตว์สีเท้าของพวกสัตว์สีเท้า เพื่อความเป็นสัตว์ปีกของพวกสัต์ปีกเพื่อความเป็นสัตว์เลคลานของพวกสัตว์เลคลานไม่ได้มีแก่ไกลในพบไหนๆทั่วทุกแห่งก็าชาติไม่ได้มีเพื่อความเป็นอย่างนั้นของสรรพสัตว์พวกนั้นๆเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชรามรณะจะปรากฏได้หรือท่านพระอ น, นุทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนลเพราเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งชราและมรณะก็คือชาตินั่นเองอานน์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่พบเป็นปัจจัยชาติจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าพบ คือกามาพรูปภพและอารูปภพไม่ได้มีแก่ใครในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะภพดับไปชาติจะปรากฏได้หรือท่านพระอานุนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระพภาจึงตรัสว่าอานนุ์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิด และปัจจัยแห่งชาติก็คือพบนั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเราอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเธอเพึงทราบผลที่อุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าอุปาทานคือการมุปาทานความยึดมั่นในการทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิ ศีละพะตุปาทานความยึดมั่นในศีลพรษหรืออัตตาวาทุ ป, ปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาถ้าอุ ป, ปาทานทั้งหมดนั้นไม่ได้มีแก่ใครๆในพบในไหนทั่วทุกแห่งเมื่ออุ ป, ปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุ ป, ปาทานดับไปพบจะปรากฏได้หรือเพราะเหตุ น, นั้นเหตุต้นเหตุ เหตุเกิดและปัจจัยแห่งพบก็คืออุปาทานนั่นเองอานน์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี<อ>เธอพึงทราบเหตุผลดังต่อไปนี้<อ>ก็ถ้าตันหาคือรูปตันหาหมายถึงอยากได้รูปสัทธตันหาอยากได้เสียงคันธตันหา อยากได้กลิ่นรสตัณหาอยากได้รสโพทัพพะตัณหาอยากได้โพทัพพระและธรรมตัณหาอยากได้ธรรมอารมถ้าตัณหาเหล่านี้ไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตัณหาดับไปอุปาทานจะปรากฏได้หรือเพราะเหตุนั้น เหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งอุปาทานก็คือตัณหานั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลดังต่อไปนี้ก็ถ้าเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากจากักขุสัมผัสหมายถึงตายเห็นรูปเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสคือหูได้ยิน เวทนาที่เกิดจากคานาสัมผัสคือจมูกได้กลิ่นเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสคือลิ้นได้ลิ้มรสเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสและเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสคือใจได้รู้สึกถ้าเวทนาเหล่านั้นไม่ได้มีแก่ใครในพบในไหนทั่วทุกแห่งเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับไป ตัณหาจะปรากฏได้หรือเพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งตัณหาก็คือเวทนานั่นเองอนนท์ด้วยเหตุดังนี้แลเพราะอาศัยเวทนาตัณหาจึงมีเพราะอาศัยตัณหาปริเยสนาการสแสวงหาจึงมีเพราะอาศัยปริเยสนา ลาภการได้จึงมีเพราะอาศัยลาภะวินิชยะการกำหนดจึงมีเพราะอาศัยวินิชยะชันทราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจจึงมีเพราะอาศัยชันทราคะอัจโชสานะความหมกมุ่นฝังใจจึงมีเพราะอาศัยอัจโชสานะบริหะการยึดถือครอบครองจึงมี เพราะอาศัยปริฆหะมัชริยะความตรนีจึงมีเพราะอาศัยมัชริยะอารักขะคือความห่วงกั้นจึงมีเพราะอารักขะเป็นเหตุบาปอกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดส่อเสียด และการพูดเท็จอานนท์ข้อนี้เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอารักขาเป็นเหตุบาปอากุสน ล, ละธรรมเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นก็ถ้าอารักขาไม่ได้มีแก่ใครๆในพบในไหนทั่วทุกแห่งเมื่ออารักขาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอารักขาดับไปบาปอากุสน ล, ละธรรมเป็นอเนกจะเกิดขึ้นได้หรือ เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุและปัจจัยแห่งบาปอกุศลลธรรมเป็นอนเนกที่เกิดขึ้นก็คืออารักขานั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยมัชริยะอารักขาจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลดังต่อไปนี้ถ้ามาัชริยะไม่ได้มีแก่ใครๆในภพในไหนทั่วทุกแห่งเมื่อไม่มีมัชริยะ เมื่อมัจฉริยะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะมัจฉริยะดับไปอารักขะจะปรากฏได้หรือเพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งอารักขะก็คือมัจฉริยะนั่นเองต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสข้อความเหมือนกับที่ผ่านมา เพียงแต่เปลี่ยนคำเป็นเพราะอาศัยปริกหะมัชริยะจึงมีเพราะอาศัยอัจโชสานะปริกหะจึงมีเพราะอาศัยฉันทราคะอัจโชสานะจึงมีเพราะอาศัยวินิชยะฉันทราคะจึงมีเพราะอาศัยลาภะวินิชยะจึงมีเพราะอาศัยปริเยสนาลาภะจึงมีจนมาถึง เพราะอาศัยตัณหาปริเยสนาจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลดังต่อไปนี้กามาตัณหาคือความทยานอยากในกามในที่นี้หมายถึงราคะที่เนื่องด้วยกามคุณห้าภาวะตัณหาความทยานอยากในภพในที่นี้หมายถึงราคะในรูปภพและอรูปภพราคะที่ประกอบด้วยสัจสตทิฏฐิและวิภาวะตัณหา ความทยานอยากในวิภพในที่นี้หมายถึงราคะที่ประกอบด้วยอุเฉธาทิฏฐิก็ถ้าตัญหาคือกามตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตันหาไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อตัญหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตัญหาดับไปปริยสนาจะปรากฏได้หรือเพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุ เหตุเกิดและปัจจัยแห่งปริเยสนาก็คือตัณหานั่นเองอา น, อนุนธรรมะสองอย่างนี้ทั้งสองส่วนรวมลงเป็นอย่างเดียวกับเวทนาด้วยประการชนิดธรรมะสองอย่างนี้ทั้งสองส่วนในที่นี้หมายถึงตัณหาสองประการได้แก่หนึ่งวัตมูลตัณหาตัณหาที่เป็นมูลในวัตตะ หมายถึงตันหาที่เป็นปัจจัยของอุปาทาน2 ส, สมุทธาจารตันหาตันหาที่ฟุ้งขึ้นหมายถึงตันหาที่ท่านกล่าวว่าเพราะอาศัยตันหาปริเยสนาจึงมีเป็นต้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลดังต่อไปนี้ก็ถ้าผัสสะคือจักขุสัมผัส โสตสัมผัสคานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะผัสสะดับไปเวทนาจะปรากฏได้หรือเพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งเวทนาก็คือผัสสะนั่นเอง อนนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยภัสสะจึงมีเธอเพึงทราบเหตุผลดังต่อไปนี้การบัญญัตินามากายหมายถึงนามขันสี่คือหนึ่งเวทนาขันสองสัญญาขันสามสังขารขันสี่วิญญาณขันการบัญญัตินามากายต้องพร้อมด้วยอาการ หมายถึงอากาศวิริยาของนามขันตะละยางที่สำแดงออกมาเพศหมายถึงลักษณะที่บ่งบอกหรือใช้เป็นเครื่องอนุมานถึงนามขันตะละยางนิมิตหมายถึงเครื่องแสดงถึงลักษณะเฉพาะของนามขันตะละยางอุเทศหมายถึงคำอธิบายเกี่ยวกับนามขันตะละยางเช่นสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ การบัญญัตินามากายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสแต่ชื่อในรู ป, ปกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทุลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัติรู ป, ปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิต และอุเทศเมื่ออาการเหล่านั้นไม่มีการสัมผัสด้วยการกระทบในนามกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอานุนทุนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัตินามกายและรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศมิมิตรและอุเทศเมื่ออาการนั้นๆไม่มีการสัมผัสแต่ชื่อจะปรากฏได้หรือ ท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัตินามรูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุเทศเมื่ออาการนั้นๆไม่มีผัสสะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานุนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานน์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งผัสสะก็คือนามรูปนั่นเองอนน์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลดังต่อไปนี้ก็ถ้าวิญญาณจักไม่ยั่งลงในท้องมารดา นามรูปจะ ก, ก่อตัวขึ้นในท้องมารดาได้หรือไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็ถ้าวิญญาณอย่างลงในท้องมารดาแล้วล่วงเลยไปนามรูปจกบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าก็ถ้าวิญญาณเด็กชายหรือเด็กหญิงผู้ยาววัย จะขาดความสืบต่อนามรูปจากเจริญงอกงามภายบู์ได้หรือไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าอานน์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งนามรูปก็คือวิญญาณนั่นเองอานน์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เธอพึงทราบเหตุผลดังต่อไปนี้ก็ถ้าวิญญาณจากไม่ได้อาศัยนามรูปชาติชรามรณะและความเกิดขึ้นแห่งทุกข์กาสมูทไทยจะปรากฏได้หรือท่านพระอานุนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอา น, นุนเพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิด และปัจจัยแห่งวิญญาณก็คือนามรูปนั่นเองโดยเหตุเพียงเท่านี้แลวิญญาและนามรูปจึงเกิดแก่ตายจุติหรืออุบัติด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำที่เป็นเพียงชื่อด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำที่ใช้ตามความหมายด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำบัญญัติ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีแต่สื่อความเข้าใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้วัตตะจึงเป็นไปความเป็นอย่างนี้ย่อมปรากฏโดยการบัญญัติคือนามรูปย่อมเป็นไปพร้อมกับวิญญาณเพราะต่างก็เป็นปัจจัยของการละกันสำหรับความเป็นอย่างนี้ย่อมปรากฏโดยการบัญญัติหมายถึงขันห้า เป็นเพียงชื่อที่บัญญัติขึ้นหัวข้อบัญญัติอัตตาอานนต์บุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตายอมบัญญัติด้วยความเห็นดังนี้ 1. เมื่อจะบัญญัติอัตตาที่มีขนาดจำกัดมีรูปยอมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดจำกัดมีรูป 2. เมื่อจะบัญญัติอัตตามีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดไม่จำกัดมีรูป3เมื่อจะบัญญัติอัตตาที่มีขนาดจำกัดไม่มีรูปย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดจำกัดไม่มีรูป4เมื่อจะบัญญัติอัตตาที่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดไม่จากัดไม่มีรูป ในความเห็นสี่อย่างนั้นบุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตามีขนาดจำกัดมีรูปบุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตามีขนาดไม่จากัดมีรูปบุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตามีขนาดจำกัดไม่มีรูปและบุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตาที่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปยอมม่อมบัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือบัญญัติว่าเป็นสภาพมีอยู่ตลอดกาลหรือมีความเห็นว่า เราจะทําอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สําเร็จเป็นสภาพเที่ยงอานนท์การลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดจํากัดมีรูปอัตตาที่มีอยู่มีขนาดไม่จํากัดมีรูปอัตตาที่มีอยู่ที่มีขนาดจํากัดไม่มีรูปอัตตาที่มีขนาดไม่จํากัดไม่มีรูปย่อมติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ อนนบุคคลเมื่อบัญญัติอัตตาย่อมบัญญัติด้วยความเห็นสี่อย่างนี้แหลสำหรับหัวข้อต่อไปคือเรื่องไม่บัญญัติอัตตาเนื้อความเหมือนหัวข้อบัญญัติอัตตาทุกประการเพียงแต่มีนวยะตรงกันข้ามนะครับสรุปย่อได้ว่าบุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาในประเภทต่างๆย่อมไม่บัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้ หรือไม่บัญญัติว่าสภาพที่มีอยู่ตลอดการหรือไม่มีความเห็นว่าเราจะทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงการลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่ย่อมไม่ติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ความเห็นว่าเป็นอัตตาอานนบุคคลเมื่อเห็นว่ามีอัตตา ยอมเห็นด้วยความเห็นกี่อย่างบุคคลเมื่อเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตายอมเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราหรือเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราเพราะอัตตาของเราไม่สวยอารมณ์หรือเห็นว่าเวทนาไม่ใช yes ่อัตตาของเราอัตตาของเราจะไม่สวยอารมณ์ก็ไม mm ่ใ hmm. ช่อัตตาของเรายังงสวยอารมณ์อยู่เพราะอัตตาของเรา มีเวทนาเป็นคุณสมบัติอ น, นุ์ในความเห็นสามอย่างนี้ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราเขาจะถูกซักถามว่าผู้มีอายุเวทนามีสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุขขมัสสุขเวทนาหมายถึงไม่ทุกข์ไม่สุขนะครับ บรรดาเวทนาสามอย่างนี้เธอเห็นเวทนาอย่างไหนว่าเป็นอัตตาในคราวที่อัตตาสวยสุขเวทนาก็ย่อมไม่สวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาคงเสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นในคราวที่อัตตาสวยทุกขเวทนาก็ย่อมไม่สวยสุขเวทนาและอทุกขมาสุขเวทนาคงเสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้น ในคราวที่อัตตาสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ย่อมไม่สวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาคงสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นอานนุ์แม้สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงแม้อทุก ข, ขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงเมื่อบุคคลสวยสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่อสุขเวทนานั้นดับจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วเมื่อบุคคลสวยทุกขเวทนา เมื่อบุคคลสเสวยอัุุขมสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่อเวทนาเหล่านั้นดับจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราเมื่อเห็นเวทนาเป็นอัตตาย่อมเห็นอัตตาไม่เที่ยงสุขบ้างทุกบ้างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา และมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในปัจจุบันเพราะเหตุ น, นั้นแหลอาน o n ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงยังไม่ควรที่จะเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราอานน์ในความเห็นสามอย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราเพราะอัตตาของเราไม่สวยอารมณ์ เขาจะถูกซักถามว่าในรู ป, ปรขันธ์ซึ่งไม่มีการสวยอารมณ์จะมีความรู้สึกว่าเป็นเราเกิดขึ้นได้หรือไม่ท่านพระอานุนทูลตอบว่าเกิดขึ้นไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแลอา น, นุ์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงยังไม่ควรที่จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเรา เพราะอัตตาของเราไม่สวยอารมณ์อานอนท์ในความเห็นสามอย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราจะไม่สวยอารมณ์ก็ไม่ใช่อัตตาของเรายังสวยอารมณ์อยู่เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติเขาจะถูกซักถามว่าผู้มีอายุก็เพราะเวทนาจะต้องดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเหลือ เมื่อไม่มีเวทนาเพราะเวทนาดับไปโดยประการทั้งปวงยังจะมีความรู้สึกว่าเป็นเราได้หรือไม่ท่านพระอานนนทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจาา้าค่ะระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแหละอนนนโดยเหตุเพียงเท่านี้จึงยังไม่ควรที่จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราจะไม่สวยอารมณ์ก็ไม่ใช่ อัตตาของเรายังงสวยอารมณ์อยู่เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติอาน o n พิกษุใดไม่เห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาไม่เห็นการสวยอารมณ์ว่าเป็นอัตตาและไม่เห็นว่าอัตตาของเรายังต้องสวยอารมณ์เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติพิกษุนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลก และเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะทกสถานเมื่อไม่สะทกสถานย่อมดับได้เฉพาะตนหมายถึงดับกิเลสได้ด้วยตนเองย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโรมจันแล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปผู้ใดกล่าวกับภิกษุ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 เราะชื่อคำที่เป็นเพียงชื่อความหมายคำที่ใช้ตามความหมายบัญญัติคำบัญญัติความเข้าใจสื่อความเข้าใจวัตตะยังเป็นไปอยู่ตลอดการเพียงใดวัตตะย่อมหมุนไปตลอดการเพียงนั้นภิกษุชื่อว่าหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ยิ่งวัตตะนั้นผู้ใดกล่าวกับพิกษุผู้หลุดพ้นแล้ว เระรู้ยิ่งวัตตนนั้นว่าท่านมีทิฏฐิว่าพระอรหันย่อมไม่รู้ไม่เห็นการกล่าวของผู้นั้นก็ไม่สมควรวิญญาณทิฏฐิเจ็ประการภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณอา น, น์วิญญาณทิฏฐิเจ็ดประการ และอายตนะสองประการนี้วิญญาณที่ติดเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกหมายถึงพวกเทพในสวรรค์ชั้นกนมามวาจรหคือหนึ่งชั้นจาตุมหาราชสองชั้นดาวดึงสชั้นยามาสี่ชั้นดุสิติ์าชั้นนิมานารดี ชั้นปรานิมิตาสวัตตีและเวนิปาติกะบางพวกในที่นี้หมายถึงยักษินีและเวมานิกะเปรสที่ผนจากอบายภูมิสีมนุษย์เทพบางพวกและเวนิปาติกะบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิติที่หนึ่ง2มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นโรมกายิกา มายถึงพรมชั้นปฐมฌมานสามชั้นคือหนึ่งพรมปาริสัจชาพวกบริษัทพวกบริษัทบริวารมหาพรม 2. พรมปุโรหิตาพวกปุโรหิตมหาพรม 3. มหาพรมมาพวกเท้ามหาพรมพวกเทพชั้นกรมกายิกาเกิดในปฐมฌมานและเหล่าสัตว์ผู้เกิดในอบายสี นี้เป็นวิญญาณทิติที่สองสามมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภัสระนี้เป็นวิญญาณทิติที่สามสี่มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินหะคือเทพที่เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณทิติที่สี่ ห้ามีสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุอากาศสานรญจายตนะโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เราะลวงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กําหนดนานัตัสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่ห้าหกมีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากาศสาร น, นจายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่หกเจมีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่เจ็ดายตนะสองประการอะไรบ้างคือ 1. อสัญญีสัตตายตนะอายตนะของสัต์ผู้ไม่มีสัญญา 2. เนวสัญญาณสัญญายตนะอายตนะของสัต์ผู้มีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่อานน์ในวิญญาณทิติเจประการนั้นวิญญาณทิติที่หนึ่งว่าสัตทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกัน คือมนุษย์บางพวกเทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวกผู้ที่รู้วิญญาณทิตินั้นรู้ความเกิดรู้ความดับรู้คุณรู้โทษของวิญญาณทิตินั้นและรู้อุบายสลัดออกจากวิญญาณทิทตินั้นเขาควรจะเพลิดเพลินในวิญญาณนิตินั้นอยู่อีกหรือท่านพระอน์นทูลตอบว่าไม่ควรพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสถามเหมือนเดิมตั้งแต่วิญญาณนาทิติที่หนึ่งจนถึงวิญญาณนาทิติที่7เช่นเดียวกับคำถามแรกนะครับพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานนท์ในอายตนะสองประการนั้นอายตนะที่หนึ่งและที่สองคือผู้ที่รู้อสัญญีส ต, ตายตนะและผู้ที่รู้เนวสัญญาณสัญญายตนะนั้นรู้ความเกิดรู้ความดับ รู้คุณรู้โทษของอสัญญีสัตยตยตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นและรู้อุบายสลัดออกเขาควรจะเพลิดเพลินในสัญญีสัตยตยตนะนั้นหรือในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นอยู่อีกหรือท่านพระอานุนทูลตอบว่าไม่ควรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนุ์ ภิกษุผู้รู้ถึงความเกิดความดับคุณโทษของวิญญาณทิติเจ็และอายตนะสองและอุบายสลัดออกจากวิญญาณทิติเจ็และอายตนะสองนี้ตามความเป็นจริงยอมหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เป็นปัญญาวิมุตต์หมายถึงหลุดพ้นด้วยกําลังปัญญาโดยไม่ได้บรรลุสมาธิชั้นสูงคือวิโมก8 สำหรับการหลุดพ้นเรา่ไม่ถือมัน่นหมายถึงไม่ถือมั่นในอุ ป, ปาทานสีคือ 1. กามุ ป, ปาทานความถือมั่นในกาม 2. อทิฏฐุ ป, ปาทานความถือมั่นในทิฏฐิ 3. ศมสิลปตุปาทานความถือมั่นในศีลพระสดอัตตวาทุปาทานความถือมั่นในวาทะว่ามีอัตตา วิโมกแปดประการอานนท์วิโมกแปดประการคืออะไรบ้างหนึ่งบุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายมีรูปหมายถึงได้รูปประชานโดยเจริญกสินที่กำหนดวัตถุในกายของตนเช่นสีผมส่วนการเห็นรูปทั้งหลายหมายถึงเห็นรูปประชานสีสอง บุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอก 3. บุคคลผู้น้อมใจไปว่างามผู้น้อมใจไปว่างามหมายถึงผู้เจริญวันณกศินกำหนดสีที่งาม 4. บุคคลบรรลุอาการสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญา ไม่กำหนดนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวง 5. บุคคลล่วงอากาสานัญญาตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณนัญญาตนาชาญโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้6บุคคลล่วงวิญญาณนัญญาตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนาชาญ โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเจ็ดบุคคลล่วงอากินสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาญตนาชาญอยู่8บุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญาญตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทอิตานิโรธอยู่อานนท์วิโมกแปประการนี้แล อาน o n พิสุผู้เข้าวิโมกษ์แประการนี้โดยอนุโลมบ้างโดยปฏิโลมบ้างทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมบ้างเข้าหรือออกได้ตามโอกาสที่ต้องการตามชนิดสมาบัติที่ต้องการและตามระยะเวลาที่ต้องการทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เป็นอุปโตภาควิมุตต์อ น, นุนอุปโตภาควิมุตต์อย่างอื่นที่ดีกว่าหรือประนีตกว่าอุปโตภาควิมุตตนี้ไม่มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท่านพระอานุนมีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแล สำหรับผู้เป็นอุปโตภาคาวิมุตต์คือผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนหมายถึงพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญสมณะมามากจนได้สมาบัติแดแล้วจึงใช้สมถะ น, นั้นเป็นฐานบำเพ็ญวิปัสสนาต่อไปชื่อว่าหลุดพ้นสองส่วนคือ 1. ห, หลุดพ้นจากรู ป, ปากายด้วยอรูปสมาบัติคือวิขัมภนะ 2. หลุดพ้นจากนามากายด้วยอริยมรรคคือสมุเทเฉทะจบมหานิทานสูตรว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาท